ตอบทรงปรารพภิกษุณีจันดะกาลีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีจันดะกาลีอยู่คลุกคลีในสิกขาบทที่หกนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานเป็นธุรานิเขปะสมุดฐานละ